ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทห6ึ่งลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าภิกษุทั้งหลายฆ่าตัวตายเองบ้างใช้กันและกันให้ฆ่าบ้างบางกลุ่มพากันเข้าไปหาตาเทนมิฆะลินทิกะบอกว่า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 ไม่ควรทํฉาฉไนภิกษุเหล่านั้นจึงฆ่าตัวตายเองบ้างใช้กันและกันให้ฆ่าบ้างบ้างกลุ่มพากันเข้าไปหาตาเทนมิคาลันทิกะบอกว่าขอโอกาสหน่อยเถิดท่านช่วยฆ่าพวกอตมาทีเถิดบาทและจีวร น, นี้จะเป็นของท่านบ้างเล่าภิกษุทั้งหลายการกระทําอย่างนี้ไม่ได้ทําคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสแล้วจึงรับสั่ง